อนุพุทธนักธรรมโหมวนที่ส4บสบรรยายโดยพระอาจารย์มหามโูสุมโนจเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายวันนี้ก็ถึงคราถึงการบรรยายประวัติของพระเถระอันดับที่ห้าสิบห้า ซึ่งเป็นพระเถระนับเนื่องในพระมหาสาวก80องค์รูปหนึ่งคือประวัติของท่านพระกุณฑธานะเถระประวัติเดิมของท่านก็มีอยู่ว่าท่านนั้นเกิดในตระกูลของพรามคือในวันละของพรามในพระนครสาวัตถีนั่นเอง เดิมนั้นท่านชื่อว่าทานะมานพเฉยเฉยชื่อว่าทานะมานพเมื่อจเจริญวัยขึ้นแล้วได้ศึกษาศิลปะวิทยาของพรามจนจบไตรเพศตามคำภีของพรามภายหลังนั้นได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอันนี้ท่านก็ไม่ได้กล่าวว่า เกิดความศรัทธาเริ่อมใสโดยการฟังธรรมะและจึงได้อุปสมบทหรือไม่หรือว่าเมื่ออุปสมบทมาแล้วอุปสมบทในสำนักของท่านปู่ไดก็ไม่ได้กล่าวไว้ชัดกล่าวแต่เพียงว่าภายหลังนั้นได้บรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่ได้ท่านได้อุปสมบทนั้นมามานั้นปรากฏว่ามีรูปของหญิงรูปหนึ่ง เที่ยวติดตามไปข้างหลังของท่านตลอดเวลาคือมอีในขณะท่านจะไปไหนก็ตามมีเป็นรูปลุบล่างของผู้หญิงหรือว่ามีอคนอื่นใ้เห็นแล้วว่าเป็นมีผู้หญิงเดินติดตามข้างหลังท่านไปตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนแต่ท่านเองท่านไม่เห็นไม่เห็นรูปนั้นเลยแต่พวกมหาชนทั้งหลายเห็นเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในบ้าน พวกมนุษย์ทั้งหลายก็เลยถวายพิษาให้ท่านนะสองส่วนด้วยกันโดยพูดว่านี้ส่วนของท่านแต่อีกส่วนนี้เป็นของหญิงผู้เป็นสหายของท่านโดยการพูดเน็เนบแนมท่านซึ่งตัวท่านเองท่านก็ไม่ทราบว่ามีลูกของผู้หญิงติดตามไปด้วยแต่พวกมนุษย์หรือประชาชนทั้งหลายเห็นเช่นนั้นเห็นว่าพระพิสุรูปนี้ไปไหนต้องมีผู้หญิงติดตามไปด้วยก็เลยพูดแต่ทำนองเนบเนม ท่านถวายภิกษาแก่ท่านก็ถวายสองส่วนโดยพูดเนบแนมขึ้นว่าส่วนนี้เป็นของท่านแต่ส่วนนี้เป็นหญิงที่เป็นสหายของท่านตั้งแต่นั้นมาก็ปรากฏว่าพวกมนุษย์ทั้งหลายก็พาเรียกท่านว่ากุณดธานะนะกุณฑธานะส่วนพวกพิสูจน์ดกันผู้ไม่รู้ความจริงได้เห็นอาการเช่นนั้นคือได้เห็น ผู้หญิงเดินติดตามท่านอยู่ตลอดเวลาเช่นั้นก็เกิดความลังเกียจกล่าวโทษกล่าวเกิดความลังเกียจกลัวว่าความมัวหมองจะเกิดขึ้นแก่พวกตนเพราะเหตุที่ว่าเป็นพระพิสุทธิ์เดียกันอยู่ในสำนักเดียวกันเพราะฉะนั้นปลาในคลองเดียวกันนั้นตายสักตัวก็ตายกันหมดหรือว่าเหม้นเพียงตัวเดียวก็เหม็นกันไปหมดเกิดความลังเกียจกลัว จะได้อตอนผู้ตนเองจะได้รับการติเตียนนินทาไปด้วยก็จึงได้บอกเรื่องนี้ให้อนาถบินติกะเศรษฐีขับไล่เสียออกจากวิหารที่ภิกษุทั้งหลายได้ไปบอกกับเศรษฐีนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าพระเ ช, ชะตะวันมหาวิหารนั้นเป็นวัดที่อนาถบินติกะเศรษฐีเป็นผู้สร้างคล้ายๆว่าอนาถบินติกะเศรษฐีนี่เป็นเจ้าของวัด เพราะฉะนั้นจะให้องค์ใดอยู่ก็ได้ไหมองคใดอยู่ก็นหนก็ได้กึงก็จึงได้ไปบอกอ น, นาธาบินิกาเศรษฐีเพื่อจะให้นาธาบินิกาเศรษฐีเนี่ยขับพระท่านพระกุณท่านทานะนีออกไปเสียจากวัดเพื่อที่จะไม่ให้หมู่ของพวกด้วยกันนั้นได้เสื่อมเสียแต่ท่านเศรษฐีก็ไม่ทำนะไม่ขับไม่ไม่ขับไล่ไปภิกษุเหล่านั้นก็ไปบ่นนาวิสาขาอีกเหมือนกัน นาวิสาขานี่ก็นับว่าเป็นโยมสําคัญของพระของพระของเนนผู้หนึ่งและนาวิสาขานี้ก็ได้สร้างวัดไว้วัดหนึ่งคือวัดปุพพารามหรือบุรพารามซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกใกล้ริมฝั่งแม่นม้ําคืออยู่ทางทิศตะวันออกของพระเวฬุวันมหาวิหารภิกษุเหล่านี้ก็ไปบ่อนาวิสาขาเพื่อที่จะให้ขับพระภิกษุองค์งนี้ออกเสีย เพาวิสาขานี่นก็มีความสาคัญแก่พระพิสุสัมเนธมิเช่นน้อยเหมือนกันเป็นอุบาสิกาที่บํารุงพระพิสุสัมเนธให้ได้รับความสุขแต่นาวิสาขามหาอุบาสิกานั้นก็ไม่ขับไล่เหมือนกันพวกพิสุเหล่านั้นก็จึงได้ถวายพระพรคือเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเปรตที่โกศลได้ไปถวายพระพรเรื่องนี้ให้ทรงทราบแล้วก็ให้พระองค์นั้นทรงขับพระพิสุรูปนี้ออกจากแว่นแควนเสีย ก็คือในแว่นแค ว, ว้งโกศลนี่พระองค์เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แห่งแคว่งโกศลคือเมืองสาวัตถีนเองก็ต้องการจะให้ขับพระพิสุ์ลูปนี้ออกจากแค ว, ว้นแคว้นเสียพระเจ้าโกอาพระเจ้าประสทธิโกศลนั้นพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้แล้วก็พระองค์ก็เสด็จไปสู่วิหารด้วยพระองค์เอง คือต้องการจะไปสูตรให้ได้ความจริงว่าเรื่องมันจริงแค่ไหนแต่เมื่อพิสูจน์แล้วพระองค์ก็ทรงทราบความจริงว่าพระกุณฑะทานะนั้นไม่รู้ตัวและก็ไม่เห็นลูกหญิงนั่นด้วยเป็นแต่บุคคลอื่นนั้นได้เห็นเสร็จแล้วพระองค์ก็เกิดความเห็นใจเกิดเลื่อมใสขึ้นเพราะเหตุที่ว่าท่านนั้นถูกคนอื่นเขาลังเกียจ แม้แต่ประชาชนทั่วไปก็พูดเน็บแนมดังนั้นเรื่องของการปัจจัยสีก็พูดเคืองพ ร, รอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ทราบความจริงเช่นนี้แล้วก็เกิดความเริ่มใสก็รับสั่งให้ท่านนั้นเข้าไปปฏิบัติในพระราชวังแล้วก็ได้บ่มลุงท่านพระกุท ธ, ธานานี้ด้วยปัจจัยสีอย่างบริบูรณ์ พวกิสูจ์ทั้งหลายเห็นเห็นเช่นนั้นแล้วก็กลับติเตียนว่าเป็นคนชั่วทั้งพระราชาทั้งพระกุณฑทานะคล้ายๆว่าพระก็คือว่าพระกุณฑทานะนี่นับบ่าเป็นพระที่ชั่วแล้วไปไหนมีผู้หญิงติดตามไปด้วยแถมพระราชายังเห็นยังเลื่อมใสในบุคคลที่ชั่วก็นับบ่าเป็นเป็นผู้ที่ชั่วไปด้วยก็จึงติเตียนว่าพระราชาก็ชั่วพระกุณฑทานะก็ชั่วท่านพระกุณฑทานะ ได้ยินชะนั้นโกรธก็จึงได้กล่าวโต้ตอบไปบ้างเหมือนกันเหมือนก็อย่างนั้นเหมือนกันคั้นพระบรมศาสดาพระองค์ทรงทราบแล้วก็จึงได้ตัดติเตียนแล้วก็ทรงห้ามแล้วก็ได้แสดงบุพกรรมที่เรื่องของลูกผู้หญิงนั้นให้พิสุทธทั้งหลายทราบความเป็นจริงนะโดยแสดง ร, รมเทศนาสั่งสอนด้วยพระคถาสองคาถาซึ่งตามประวัติที่ได้ทราบมานั้นบุพกรรมของท่านพระกุณฑธานะนี้ว่าในอดีตการนั้นเคยเกิดเป็นเทวดาเสร็จแล้วก็มีพระเถระรูปหนึ่งเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระวินยัยเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนเป็นอันมากแต่ว่าเทวดาพระกุณฑธานะที่เกิดเป็นเทวดานี้ เกิดนึกคนองขึ้นมาก็บอกกับเพื่อนเทวดาได้กันว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะทำให้พระเถระคนนี้หมดความเลื่อมใสจากประชาชน <c oughs> แม้ว่าเทวดา <c oughs> ที่เป็นสหายนั้นจะกล่าวห้ามก็ไม่ยอมวิธีที่ท่านได้แสดงนะเทวดาที่แสดงนั้นก็คือว่าในครั้งหนึ่งพระมหาเถระองค์นั้นเข้าไปห้องน้ำ ในขณะที่ออกมานั้นเทวดาเุอ่ อ, อ, อ, อต้นนั้นก็จึงได้แสดงเป็นลูกของหญิงกําลังที่นุ่งผ้าเดินตามหลังพระมหาเถระนั้นออกมาทําให้ประชาชนทั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็เกิดความระแวงพระสงสัยในพระเถระว่าเป็นผู้มีศีลวิบัติก็หมดความสงสัยด้วยอํานาจบุพภกรรมที่ตนเองได้กระทําด้วยความคันนองนั่นแหละ มาในชาตินี้เมื่อมาเป็นพิสุกในพุทธศาสนาแล้วจึงได้ปรากฏว่ามีรูปหญิงนิ่เดินติดตามอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อองค์ทุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยพระคาถาสองคาถาในเวลาจบพระธรรมเทศนานั้นท่านพระกุณฑทานะตั้งอยู่ในอาวายของพระบรมศาสดาที่ตรัสสอนก็ได้บรรลุพระอารหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนา ตั้งแต่ท่านได้บรรลุพระอระหันตผลไปแล้วเป็นพระอรหันแล้วก็ปรากฏว่ารูปหญิงนั้นก็ได้หายไปไม่มีปรากฏวันเดินติดตามท่านต่อไปอีกภายหลังพระบรมศาสดาก็ยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าพิสูจน์ทั้งหลายผู้จับฉลากเป็นประถมคือจับฉลากเป็นครั้งแรกคำว่าจับฉลากเป็นครั้งแรกนี้ก็หมายความว่า เมื่อจะจับเมื่อจะจับฉลากเลือกของกันแล้วท่านจะได้เป็นผู้ที่จับฉลากหรือเลือกเป็นครั้งแรกหรือเป็นอันดับแรกเมื่อจับฉลากแล้วท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้เลือกเป็นคนแรกเป็นผู้แรกทุกครั้งไปเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ยกย่องว่าเป็นเลิกกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าได้จับฉลากเป็นครั้งแรกทุกครั้งไปท่านก็เป็นกําลังใหญ่ในการ เผยแพร่พระพุทธศาสนาดำรงอายุสังขารมาโดยการอาสมควรก็ดับขันธพริพิภานี่เป็นประวัติของท่านพระกุณฑะฐานะประวัติของท่านนี้ก็เป็นทิฏฐานนุกติซึ่งเราท่านทั้งหลายควรจะสำเนียกไว้เรื่องของการกระทำแม้แต่จะว่าด้วยความพนองก็ตามก็ไม่สมควร ประวัติต่อของพระมหาเถระองค์ต่อไปนั้นก็ได้ประวัติได้แก่ประวัติของท่านพระวังคีสะเถระพระวังคีสสะเถระใ น, นประวัติเดิมของท่านก็คือเกิดในตระกูลของพรามในพระนครสาวัตถีเมื่อท่านได้เจริญวัยมาแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนตามคัมภีร์ในลัทธิของพราม์จนจบปลาเพศ และก็ได้เรียนมนพิเศษอีกอย่างหนึ่งซึ่งมนพิเศษอันนี้มีชื่อเรียกว่าฉะวสีสะมนนะะสีสะมนะะะะมซึ่งเป็นมนที่ซึ่งเป็นมนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศีสแห่งซากศพแม้ตายไปแล้วตั้งสามปีสามารถจะรู้ได้ว่าไปเกิดในที่ไหนไปเกิดเป็นอะไร คือแม้แต่ว่าคนที่ตายไปแล้วนั้นถึงสามปีเอากะโหลกมาแล้วมาพิสูจน์กระโหลกโดยการที่ทำน้ำมนต์ลดและก็เคาะที่กะโหลกสามารถที่จะรู้ได้ว่าไปเกิดเป็นอะไรและอยู่ที่ไหนวังคีสพราผู้นี้ก็ได้อาศัยมนต์นั่นแหละเป็นเครื่องเลี้ยงชีพต่อมา <c oughs> ในชั้นแรกก็ได้แสดงศิลปะนั้นให้ปรากฏตามความจริงแก่พวกชนในพนครนั้นเอง ในพนคอนสาวถีนั่นเองพวกพรามทั้งหลายได้เห็นเขาแล้วก็คิดว่าพวกเราอาศัยวังคีสะนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้อย่างสบายสะดกสบายก็จึงได้พากันเที่ยวไปกับเรียกว่ายอมเป็นสานุศสิษธิ์ของวังคีสพรามนี้พากันเที่ยวไปสู่ชนบทน้อยใหญ่ แล้วก็ประกาศให้แกประชาชนได้ทราบว่าวังคีสเนียเป็นผู้ที่วิเศษรู้มนวิเศษสามารถวันลายมนแล้วเอาเล็บเคาะทีศีรษะของผู้ตายแล้วย่อมรู้ได้ว่าผู้นี้ไปเกิดในนรกหรือไปเกิดในสวรรค์หรือไปเกิดในเปตวิสัยหรือในสิริฉานหรือจะเป็นมนุษย์สามารถที่จะรู้ได้ดังนั้นประชาชนทั้งหลายเมื่อได้ยินประกาศคำเช่นนั้นแล้วก็เมื่อ มีความประสงค์อยากจะทราบวิญญาณของตนเองที่ต า, ตายตายไปแล้วนั้นนะบัดนี้ไปเกิดเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไรเป็นเทวดาหรือเป็นสิเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างไรก็จึงให้ทรัพย์ตามกำลังของตนเองเท่าที่จะให้ได้ก็ขอให้วังกีสะพราผู้นี้แหละได้ลายมณ์เคาะกะโหลกศีรษะของญาติของตนเองว่าบัดนี้ไปเกิดเปนะ็นอะไรเป็นที่ไหน วังคีสาก็ได้ลายมนแล้วก็เคา ะ, ะใช้เล็บเคาะกระโหลกศีษะนี้ก็จึงได้บอกสถานที่ใหญ่ของประชาชนเหล่านั้นไปเกิดนะแล้วก็ไปเกิดไปอะไรวังคีสาพร่ามนั้นก็ได้เที่ยวไปตามชนบทน้อยใหญ่อยู่เช่นนี้จนกระทั่งกลับมาไปยังพระนครสาวถี ก็ได้พักอยู่ที่ไกลๆพระเชดตะวันมหาวิหารนั่นเอง <c oughs> ในวันหนึ่งในเวลาเช้าพวกพราหมณ์ผู้ยอมเป็นลูกศิษย์ของวังคีสะเหล่านั้นได้เห็นประชาชนทั้งหลายเป็นอันมากถือดอกไม้ถูกเทียนไปเพื่อจะฟังเทศในพระเชดตะวันมหาวิหารก็จึงถามกันว่าโปรทันจะไปไหนกัน ประชาชนทั้งหลายก็ตอบว่าจะไปฟังเทศที่ประเจศตะวันมหาวิหารผู้ฤๅษีของวังคีสะก็กล่าวว่าพวกท่านจะไปทำไมกันที่นั่นก็คนที่จะดีวิเศษยิ่งไปกว่าวังคีสะพรามของเรา น, น, นั้นไม่มีอีกแล้ววังคีสะพรามูนนี้เป็นคนวิเศษเป็นคนที่รู้มากมีความรู้มากสามารถที่จะรู้แม้กระทั่งที่ว่าคนตายไปแล้วตั้งสามปี สามารถที่จะรู้ได้ว่าไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นอะไรได้เพราะฉะนั้นจะหาคนที่วิเศษไปกว่าวังคีสะไม่มีอีกแล้วพวกประชาชนทั้งหลายก็เถียงกันว่าวังคีสะนะั่นจะรู้อะไรมากมายนะักจะเหมือนกับจะมีความรู้เหมือนกับพระบรมศาสดาของเรานะผงพวกเรานะไม่มีอีกแล้วเมื่อต่างฝ่ายต่างเถียงกันช น, นี้ก็ไม่ตกลงกันได้คือต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมทางฝ่ายผู้ประชาชนที่เป็นชาวพุทธ ก็บอกว่าใครจะประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีไม่มีแล้วส่วนศิษย์ของวงังคีสะพราหมณ์นั้นก็บอกว่าคนที่จะเป็นผู้วิเศษเท่ากับวงังคีสะไม่มีอีกแล้วดังนั้นเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็พร้อมกันไปสู่พระเชตวันมหาวิหารก็จึงไปวัดที่วัดประเชตวันซึ่งวงังคีสะพราม์พร้อมูุริศก็ไปด้วยต้องการจะวิสูน์ว่าใครจะแน่กว่าใคร องคุณเอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าพวกของวังคีสะและก็วังคีสะมาสู่ที่เฝ้าพระองค์ก็จึงรับสั่งให้นำเอาศรีรษะของคนตายมาห้าศรีรษะด้วยกันคือกะโหลกศรีรษะ <c oughs> ของคนตายกะโหลกศรีรษะหนึ่งเป็นของคนที่ไปเกิดในนรก อีกกระโหลกอีกศีรษะหนึ่งก็เป็นของคนที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกศีรษะหนึ่งเป็นของคนที่ไปเกิดเป็นมนุษย์และอีกศีรษะหนึ่งก็เป็นของที่คนไปเกิดเป็นเทวดาคือไปเกิดในเทวโลกและอีกศีรษะหนึ่งศีรษะที่5นั้นก็คือเป็นศีรษะกระโหลกศีรษะของพระขีณาสพพระองค์ก็ตั้งไว้ตามลำดับกัน เมื่อวังคีสะเข้ามาเฝ้าแล้วเข้ามาใกล้ๆแล้วพระองค์ก็ตรัถามว่าตรถาก็ได้ทราบว่าเธอนั้นไล่มลแล้วเอาเล็บเคาะศีรษะมนุษย์ที่ตายไปแล้วย่อมรู้ที่เกิดของเขาได้หรือวังคีสะก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะข้ า, ขาพระพุทธเจ้ารู้พระบรมศาสดาก็จึงตรัสว่าจึงตรัสถามถึงศีรษะทั้งสี ทิศ ะ, ะโดยลำดับว่าเอาไหนเธอลองดูซิว่าศีรษะของคนผู้นี้ไปเกิดในที่ไหนวังกีสานั้นก็สามารถไล่หมดแล้วใช้ยเล็บเคาะนี่ก็ทายได้ถูกต้องทั้งหมดว่าทิษะคนแรกนั้นเป็นทิษะของคนที่ไปเกิดในนรกทิษะกระโหลกทิษะคนที่สองนั้นกระโหลกทิษะที่สองนั้นเป็นของคนที่ไปเกิดเป็นสันเดลิชานกระโหลกศีรษะที่สามนั้นเป็นของคนที่ไปเกิดเป็นมนุษย์ และกระโหลกศีรษะคนที่สี่นั้นเป็นของคนที่ไปเกิดในสุกติในเทวโลกแต่พอมาถึงศีรษะคนที่ห้านั้นแม้จะไล่มุนเท่าไรเท่าไรแล้วก็ใช้เล็บนี่เคาะเท่าไรเท่าไรก็ตามมืดไปหมดไม่เห็นที่ไปเกิดวกกะโหลกศีรษะคนที่ห้านี้ไปเกิดที่ไหนไม่สามารถที่จะเห็นได้มืดไปหมด ดังนั้นเมื่อตอนเองนั้นไล่ทลายทลายก็ไม่สามารถจะรู้ที่เกิดได้ก็นิ่งเฉยอยู่ไม่ตอบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธธทธเจ้าจึงตัดถามว่าเธอไม่รู้หรือวงังคีสากวศิษะของคนผู้นี้ไปเกิดที่ไหนวงังคิสะก็กราบทูลว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตอบว่าตถาคตรู้ วังคีสาจึงกราบทูลถามว่าพระองค์นั้นรู้ได้ด้วยอะไรพระพุทธองค์ก็ตอบว่าตถาคตรู้ได้กำลังมนต์ของตถาคตครั้งนั้นวังคีสาก็คิดว่าถ้าหากว่า <c oughs> เราได้เรียนมนต์จากพระพุทธองค์นี้แล้วเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชุมพูทวีป ดังนั้นก็จึงกราบทูลขอเรียนมนบทนั้นต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าตถาคตให้เรียนเฉพาะคนที่บวชนั้นคนไม่บวชตถาคตไม่ให้ไม่สอนให้วังกีสะก็คิดว่าถ้าเราไม่บวชเราก็ไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นควรจะบวชดีกว่าเมื่อบวชแล้วเรียนมนจบแล้วก็จะได้ศึกไป ศึกไปก็จะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชมพูทวีปดังนั้นก็จึงได้บทเมื่อวังคีสะนี้ได้อุปสมบทแล้วพระองค์ก็จึงได้ประทาน <c oughs> ประกรรมฐานคืออาการสามิบสองให้วังคีสานี้เป็นอารมณ์ให้วังคีสะนี้ได้ภาวนาบริกรรมไปวังคีสานี้ก็จึงได้สั่ง พวกสิทธิพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นสิทธิทั้งหลายว่าขอให้ท่านจงรออยู่สักสองสามวันเมื่อเราบวชในสำนักของบรมศาสดาแล้วแล้วก็ได้เรียนแล้วรู้แล้วจบเรียนมนจบแล้วก็จะศึาเมื่อองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานกรรมฐานคืออาการสามสิบสองให้วังคีสานี้ก็ได้ท่องบทบริกรรมม น, นันต์ต่อไปสาธยายอยู่อย่างนี้ พวกศิษย์ทั้งหลายที่เป็นพรามที่เป็นศิษย์ทั้งหลายก็มาท้อมาถามว่าเรียนจบแล้วหรือยังก็มาถามอยู่บ่อยๆวังคีสาก็ตอบว่ารอไปก่อนอีกสักสองสวันตอนนี้ยังไม่เสร็จยังไม่สำเร็จท่านวังคีสะนั้นบริกรรมอาการสามสิบสองนั้นด้วยความอุตสาหะในไมชานะก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลเป็นพระหัน ในพระพุทธศาสนาท่านเมื่อได้บรรลุอรหัตผลและอ่าได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว <c oughs> ไม่ว่าท่านจะไปฟ้องพระบรมศาสดานะที่ใ ด, ดๆก็าตามท่านจะกล่าวคาถาสรรเสริญพระพุทธคุณคือพระคุณของพระองค์นั้นบทหนึ่งบทหนึ่งเสมอคือกล่าวเป็นคาถาที่เราเรีย ก, กว่าเป็นร้อยกรองคือกล่าวเป็นฉัน แบบเป็นคาถาหนึ่งเป็นการที่ว่าสละเสริมพระพุทธคุณคือคุณขององค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจําจเป็นคาถาปฏิยาวัดเป็นต้นด้วยเหตุนี้เององค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ยกย่องท่านพระวังคีสสะเถระผุ้นี้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทิ์ทั้งหลายข้างมีปัญญาปฏิพัน์ ฉลาดในการผูกเป็นบทบาทคาถาก็เพราะอาศัยที่ท่านเองได้กล่าวคาถาสรรเสริญพ ร, พระองค์นั้นทุกครั้งที่ได้เข้าไปทูลเฝ้าพระได้เข้าไปฝ้าพระองค์จึงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาปฏิพันธ์อัญชานฉลาดคือปฏิพัน์ของท่านเฉียบแหลมมากสามารถสรรเสริญได ทุกครั้งไปครั้งละหนึ่งคาถาท่านพระวังคีสะเถระนั้นต่อมาเพื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระรหันต์แล้วพวกสุกสิธิ์ที่เป็นพรามในก่อนนั้นก็มาถามท่านท่านก็บอกว่าขอให้พวกเจ้ากลับไปเถิดบัดนี้เราไม่กลับไปอีกแล้วท่านนั้นก็ได้เป็นกําลังใหญ่ในการประกาศพุทธศาสนาช่วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามกําลังความสามารถของท่านท่านนั้นก็เดิดลง ด, ล ง, ดลงชีพระชนมายุอยูอ่ได้ดำลงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การก็ดับขันธปรินิพานนี่เป็นประวัติของท่านพระวังคีสัพมหาเถระซึ่งอดีตนั้นเคยเป็นผู้วิเศษคนหนึ่งบังกัดก็จบเพียงแค่นี้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 คือประวัติของท่านพระปิลินทวัชเถระท่านพระปิลินทวชเถระผู้นี้ประวัติเดิมของท่านนั้นก็คือบังเกิดในวันณะของพรามคือในตระกูลของพราม์แห่งวัชโคดวัดชโคดคือโคดของท่านชื่อวัชหรือนามสกุลเองท่านนั้นชื่อเดิมชื่อว่าปิลินทะ แต่ว่าเมื่อเรียกรวมกับโคดของท่านแล้วก็เป็นปิลินทวชชัมานพปิลินทวชชัมานพปนี้เมื่อจเจริญวัยวัฒนาขึ้นมาแล้วก็บังเกิดสธาแก่กล้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาท่านได้อุปสมบทเป็นภิกษุแล้วเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอุสาหบมเพนเพียนในวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานนักก็สำเร็จเป็นพระอระหันต์เป็นพระอาเศียขบุคคลในพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาสเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬวนมหาวิหารอันเป็นกรันเทกะนิวาประสถานในกรุงรัชครนั่นเองครั้งนั้นท่านปิรินทวัะนี้ ลองเรียกพิสูจทั้งหลายด้วยวาทะว่าวัศละวัศละซึ่งแปลว่าเป็นคนถอยหรือผู้ง่ายๆตามภาษาเราก็คือว่าเจ้าถอยซึ่งคําว่าวัศละวัศละผู้นี้เป็นคําติดปากเป็นคําติดปะเหมือนกับว่าคนไทยเราเหมือนกันบางครั้งบางครั้งจะพูดอะไรขึ้นมาก็ต้องเอาใช้คําติดปากขึ้นมาใช้ก่อนบางคนก็ใช้เป็นคําอ่ำคําติดปากนี้เป็นคําด่าก็มี เป็นคำด่าก็มีหรือเป็นคำที่เรียกว่าติดปากแบบว่าใครถามมาไปให้มาเปล่าไปโน่นม า, า น, มานี่ใช้คำเปล่านี้เป็นคำติดปากอย่างนี้ก็มีท่านปิรินทวาชะภูนีก็เหมือนกันทั้งๆที่ท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันแล้วแต่ว่าก็ยังมีคําที่ท่านใช้คําติดปากว่าวัตระวทรละเจ้าถอยเช่นพูดว่าอ่าไปไหนเจ้าถอยทําอะไรเจ้าถอยอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งก็จัดว่าเป็นคำด่าหรือเป็นคำที่หยามพิสูจนทั้งหลายเป็นอันมากก็แม้เมื่อได้รับฟังคำที่ท่านเรียกอย่างนี้แล้วก็เกิดความไม่พอใจถือว่าเป็นการเป็นคำด่าหรือเป็นคำที่ท่านพูดด้วยความด้วยคำที่ดูถูกดูถูกเหยียดหยามหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนก็จึงได้นำความเรื่องนี้ไปกราบทูแลแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็รับสั่งให้พิสุพระปิลินทวชานั้น่าจึงรับสั่งให้พิสุนั้นตามเข้ามาให้หมาเฝ้าท่านท่านพิลินทวฉะเข้ามาเฝ้าแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสถามว่าดูก่อนพิลินทวชะตถาคตได้ทราบว่าเธอร้องเรียกพิสุทั้งหลายด้วยวาทววสระวัสรจริงหรือพระพิลินทวชะเถระก็จึงได้กลาววัน จริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดังนั้นพระองค์ก็พระผู้มีพระพเจ้าก็ทรงนึกถึงปุเพสนิวาตของท่านปิลินทวฉานั้นก็ระลึกขึ้นได้แล้วก็จึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั้นนะ่ะอย่าได้ลงโทษหรืออย่าได้โกรธปิลินทวชฌาภิกษุนี้เลย เธอไม่ได้ถือโทษโกรเครืองหรือว่าลังเกียจเธอหรือว่าดูถูกเหยียดหยามเธอประการใดหรอกที่ใช้วาทะวาวศลละนั้นพิลินทวชชาผู้นี้นั้นน่ะเคยถือกำเนิดในตระกูลของพราหมณ์มาแล้วห้าร้อยชาติเธอเคยใช้วาทววศลละวสศะมาสิ้นกาลนานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงได้เป็นอุปนิสัยติดตัวของท่านมา เพราะเหตุนั้นก็จึงได้เรียกพวกเธอทั้งหลายด้วยควาําท้อยคํำวัตละวัตละเพราะนั้นเธอจะโกรธเลยเธอเรียกนั้นไม่ใช่ด้วยความดูถูกหรือดูหมิ่นแต่ว่าด้วยความเคยชินด้วยความเป็นคาําที่ติดปากเท่านั้นซึ่งความจริงอุปนิสัยนี้หรือในยันหนึ่งที่เราเรียกกันมักจะเรียกกันตามภาษาไทยตามที่เราเคยชอบเรียกกันวนสัญดานนี้เป็นของที่แก้ไม่หาย แม้กระทั่งผู้ที่ตั้งอยู่ในภูมิของอรหัตตพุทคือเป็นพระอรหันต์เรียกว่าที่เราเรียกเรียกตามภาษาบาลีเรียกว่าวาสนาตัดไม่ได้วาาสนาคือสิ่งที่ได้อบรมบทนิสัยมาสิ้นกาลนานเราเรียกกันว่าวาสนาตามภาษาของทางชาวพุทธเราหรือว่าทางพระเราพระอรหันต์นี้ตัดได้แต่เพียงกิเลสเท่านั้นแต่วาสนาตัดไม่ได้ วาสนานี่ตัดได้เฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตัดได้ทั้งกิเลส ท, ทั้งวาสนาแต่พระสาวกนั้นที่เป็นพระราหานั้นตัดได้แต่เพียงกิเลสเท่านั้นวาสนาตัดไม่ได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้กล่าวกับพิสูจน์ทั้งหลายอย่าได้ถือโกรธถือโทษทันเลย ท่านปิลินทวชะพุนแอนพุนนี้ได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาในการต่อมาว่าเป็นผู้เลิศเป็นผู้เลิศกว่าพิสุท์ทั้งหลายคือเป็นผู้ที่เป็นที่รักใคร่เจริญใจของเทพยาดาท่านนั้นก็ได้เป็นกำลังใหญ่ช่วยประกาศศาสนาช่วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์หนึ่งเหมือนกัน ท่านก็ดำลงอายุสังขารอยู่มาโดยสมควรแก่การก็ดับขันธพรนิพันนี่เป็นประวัติของท่านปิรินทวชชาซึ่ท่านกล่าวไว้ก็ไม่มีพิสดารอะไรมากนะักแต่นับว่าเป็นพระมหาเถระองค์หนึ่งและก็ได้รับยกย่อง ว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าพิสุทังหลายในในทางเป็นผู้รักใคร่เป็นพี่เป็นที่รักใคร่เป็นที่จเจริญใจของเทพพ ย, ายดาประวัติของพระมหาเถระองค์อันดับต่อไปก็คืออันดับที่ห้าสิบแปดได้แก่ประวัติของท่านพระกุมารกัสปะท่านพระกุมารกัสปะเทระผู้นี้ เป็นบุตรของทิดาแห่งเศรษฐีในพระนครราชครุษซึ่งเดิมนั้นท่านชื่อว่ากัศปะชื่อว่ากัศปะเฉยๆแต่ภายหลังนั้นชนทั้งหลายเรียกกันว่ากุมารและกัศปะก็เพราะว่าท่านได้เจริญเติบโตขึ้นมาก็ได้เครื่องด้วยเครื่องบำลุงเลี้ยงอย่างราชกุมาร ซึ่งประวัติของท่านก็ได้ยินว่ามารดาของท่านนั้นนะซึ่งเป็นอาิดาของเศรษฐีในพระนครราชกุกนั้นนะมีความปรารถนาอยากจะบวชมาตั้งแต่ยังรุ่นสาวก็ได้อ้อนวอนขออนุญาตจากมารดาบิดาอยู่บ่อยๆมารดาบิดาก็ไม่ยอมอนุญาต ต่อมานั้นนางก็มีสามีโดยที่บิดามารดานั้นเป็นผู้จัดการให้ซึ่งตนเองนั้นก็ไม่มีความประสงค์ต้องการที่อยากจะบวชมากกว่าแต่มารดาบิดานั้นก็จัดการให้นางนั้นแต่งงานมีสามีเมื่อมีสามีแล้วนางก็ยังอยากต้องการที่จะบวชอยู่นั่นเองก็จึงคิดว่าเมื่อเราที่อยู่ในความปกครองของผู้ที่เป็นมารดาบิดานั้น อนุญาตบิดามารดาที่จะบวชก็ไม่ยอมให้แต่บัดนี้เรามาอยู่ในความปกครองของสามีแล้วถ้าหากว่าเราทำความดีพร น, นี้บัตให้อย่างดีแล้วสามีเห็นใจก็อาจจะยอมให้เราบวชได้ <c oughs> ก็จึงได้ตั้งหน า, าตัา้งตาปฏิบัติสามีของตนเองอย่างดีที่สุดเท่าที่ตนเองจะสามารถทาได้จนกระทั่งสามีของตนเองนั้นเกิดความรักใคร่ อเอนดูอ่าเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าสามีของตนเองนั้นเอนดูปลาณีตนเป็นอย่างมากแล้วก็จึงได้วิงวอลขอบวชสามีนั้นก็ยินยอมตามโดยที่ไม่ขัดน้ําใจของเทวของธัญญาแต่ว่านางนั้นไม่ทราบว่าตนเองนั้นตั้งครรนเพราะเหตุที่ว่ามีสามีได้ไม่นานนะั แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ตนเองเป็นสามีหรือว่าตั้งเป็นภรราครั้งแรกก็จึงไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าตนเองนั้นมีครันงเมื่อขออนุญาตสามีได้แล้วสามีอนุญาตแล้วตนเองก็ได้ไปบวชอยู่ในสำนักของพิษุณีซึ่งพิสุณีนี้ก็เป็นเป็นฝักฝ่ายของพระเทวทัตคือผู้ง่ายง่ายก็คือว่าเป็นสิทธิ์ของเทวทัตของพระเทวทัต เมื่อนางนั้นได้บวชเป็นพิษุณีแล้วอยู่ต่อมาต่อมาครันของนาง น, นั้นก็ปรากฏใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโดยลำดับพวกพิสุณี้ดยกันก็ได้เห็นเช่นนั้นก็เกิดความรังเกียจนะเกิดความรังเกียจวันในโดยทํานองที่ว่าพิกษุณีผู้นี้เป็นผู้ศีลวิบัตนะิเป็นผู้ศีลวิบัติแล้วเพราะเหตุที่ว่าเกิดท้องขึ้นมา ก็จึงได้พานางพิสุนีผู้มีครั้นนี้ไปหาพระเทวทัตให้ตัดสินชำระอธิกรณ์ท่านพระเทวทัตก็ตัดสินทันทีเลยว่าพิสุนีผู้นี้ไม่เป็นสมณะให้ศึกไปเสียให้ศึกไปเสียไม่เป็นสมณะนางได้ฟังคําของพระเทวทัตแล้วเกิดความเสียใจเป็นอันมากก็จึงได้พูขึ้นว่า พวกท่านทั้งหลายอย่ายังให้อย่าให้ดิฉันนะ่ะชิบหายซะเลยดิฉันน่ะไม่ได้จะบวชเฉพาะเจาะจงพระเทวทัตขอพวกท่านนั้นจงพาดิฉันน่ะไปสู่สำนักของพระบรมศาสดาที่พระเฉดวันมหาวิหารเถอะพวกพิสุนีพวกพิสุณีทั้งหลายที่เห็นใจนางนั้นก็จึงได้พาพิษุนีผู้มีครรภ์ผู้นี้ ไปยังสำนักของพระบรมศาสดาคือที่วัดพระเชตวันมหาวิหารแล้วก็เด็กกราบทูลเนื้อความนี้ให้ทรงทราบองค์สุเดศพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแม้พระองค์จะทรงทราบว่าภิษุณีผู้นี้นั้นตั้งครรภ์มาตั้งแต่ยังไม่บวชแต่ก็เพื่อที่จะเปลื้องความสงสัยของประชาชนเราอื่นก็จึงรับสั่งให้พระอุบาลีเนี้ ชำระอธิกรณ์ในเรื่องนี้นะชำระอธิกรณ์ในเรื่องนี้ท่านพระอุบาลีนั่นนะให้ชำระอธิกรณ์นะฮะอันนี้ที่ให้พระอุบาลีชำระอธิกรณ์นั้นก็เพื่อเป็นอกประการหนึ่งว่าเพื่อกันการนินทาว่าพระพุทธองค์นี้เห็นแก่ น, น้านะเพื่อต้องการจะให้ประชาชนทั้งหลาย ได้หมดความสงสัยเช่นนี้ก็จึงให้พระอุบาลีเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับยกย่องหรือว่าจากรูพุธองค์ว่าเป็นผู้ชำนาญในพระวินัยเป็นผู้ชำระอธิกรณ์ในเรื่องนี้และก็ให้เชิญตระกูลใหญ่ๆ ใ, ในพระนครสาวัตถีซึ่งมีนางวิสาขาและวนาถรรมินติกาเศรษฐีเป็นต้นมาพร้มพรอมๆกัน แล้วก็พากันพิสูจน์ให้รู้ชัดว่า น, นางนี้นะ่ะว่าพิษุณีผู้นี้นะ่ะเป็นผู้ที่มีศีลวิบัติหรือเปล่ามีคันมาตั้งแต่ครั้งไหนตั้งแต่ก่อนบวชหรือยังไม่ได้บวชเพราะเหตุว่า น, นางนี้ก่อนจะบวชนั้นได้แต่งงานมีสามีแล้วให้ชําระคดี น, นี้ใน่าำกลางบริษัทด้วย <c oughs> ท่านพระ อุบาลีก็จึงได้เป็นประธานในการชำระคดีนี้ส่วนนาวิสาขานั้นเมื่อได้เป็นกรรมการในการชำระคดีนี้ก็จึงได้นำภิกษุณีผู้นี้เข้าสู่ห้องทำการตรวจคันแล้วก็ถามถึงวันเดือนปีแห่งการอุปสมบทและวันเดือนปีแห่งตนเองที่ได้แต่งงาน กับการตรวจคันแล้วปรากฏว่าคันของพิษุนีผู้นี้ตั้งมาตั้งแต่หรือว่านางพิษุนีผู้นี้มีคันมาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแต่ว่าเพราะเหตุที่ว่าเริ่มเพิ่งจะเริ่มตั้งครันนางนี้จึงไม่รู้เพราะความโตของโตของครันนี้ยังไม่ปรากฏดังนั้นก็มวิสาขาก็จึงได้ได้กล่าวเรื่องนี้แกคณะกรรมการทั้งหลาย ซึ่งมีท่านพระอุบาลีเป็นประธานท่านพระอุบาลีก็ตัดสินว่าพิกษุณีผู้นี้ยังมีศีลบริสุทธิ์อยู่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ตัดอนุโมทนาสาธุการว่าอุบาลีนั้นตัดสินนที่ก่อนได้อย่างถูกต้องแล้วท่านการต่อมาเมื่อพิษุนีผู้นี้คันแก่จนครบกําหนดแล้วก็จึงได้คลอดบุตรออกอจึงได้คลอดลูกออกมาเป็นชาย <c oughs> จึงได้คลอดลูกออกมาเป็นชายในสำนักของภิกษุณีครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงทราบโดยที่ว่าพระเจ้าประสทธิโกศลนั้นครั้งหนึ่งได้เสด็จเข้ามาในวัดพระเชตวันมหาวิหารได้เดินผ่านไปทางสำนักของภิกษุณีก็ได้ยินเสียงเด็กร้องก็จึงได้รจึงได้ถามกันว่านั่นเด็กอะไร นามพิสุณีพิสุนีมีลูกด้วยหรือหรือว่าเอาเด็กที่ไหนมาร้องเอาีเด็กไหนมาเลี้ยงก็ได้ทราบข่าวเรื่องราวโดยตลอดเช่นนั้นก็จึงได้รับเอาเด็กผู้ชายคนนั้นไว้เป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่ากัสปักพระองค์กระทรงนำรับกลับเข้าไปเลี้ยงในพระราชวัง รับเลี้ยงโดยพระองค์เองโดยตั้งเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม <c oughs> กษปตรารลกนั้นขั้นจเจริญวัยขึ้นมาด้วยเครื่องเลี้ยงบำรุงอย่างราชกุมารชนทั้งหลายก็จึงได้เรียกกันว่ากุมารลกสปตคือได้บำรุงเลี้ยงอย่างราชกุมารคืออย่างลูกกษัตริย์พระเจ้าปเสนทิโกศล น, นั้นทรงเลี้ยงอ่า พระราชกุมารชั้นใดก็เลี้ยงกสปะผู้เป็นลูกเลี้ยงนี้ฉันนั้นเรียกว่าให้การเลี้ยงดูสมัครเสมอกันชนทั้งหลายก็จึงได้เรียกว่ากุมารและกสปะเพราะเหตุที่ว่าได้รับการมรุงเลี้ยงอย่างราชกุมารวันหนึ่งกุมารลกษัตริย์นี้ลงไปเล่นกับเพื่อนๆ เ, เด็กๆในกันที่สนามก็ได้เกิดเรื่องกันขึ้นทะเลวิวาสกันขึ้นก็ได้ตีเด็กที่เล่นเด็กกันนั้น คือได้ทำ้ายคือตีเด็กที่เลีนด้วยกันนั้นก็ถูกเด็กพูนั้นด่าเอาว่าพวกเราโดนเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ตีเขาเขาแหละตีเขาแล้วเด็กที่ไม่มีพ่อมีแม่นั้นตีพวกเราเขาแล้วกูมาแล้วก็สะปะได้ฟังดังนั้นแล้วก็จึงเกิดความสงสัยว่าทําไมเด็กพวกนี้จึงกล่าวว่าเหล่านี้เป็นเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ เกิดความสงสัยเช่นนี้แล้วก็จึงได้เข้าอ่าได้ขึ้นไปกราบทูลถามพระราชาคือพระเจ้าพระเศทิโกสนตอนแรกๆนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสบอกบ่ายเบี่ยงไปว่าแม่นมนั่นนะ่ะคนหนึ่งโดยชี้เอาแม่นมคนหนึ่งว่าเป็นมารดาของเจ้านะเป็นบรรดาของเจ้าแต่ส่วนเจ้านั้นพ่อนั่นก็คือเราเอง กุมาแลกษัตริย์ผู้นี้ก็ไม่เชื่อเพราะเหตุถา้าหากว่าตนเองเป็นบุตรเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าเปรติโกศลกับนางนมนี่แล้วทำไมเด็กๆนี่จะมาว่าเราได้ว่าเป็นคนที่ไม่มีพ่อมีแม่ไม่เชื่อไม่เชื่อตามที่พระเจ้าเปรติโกศลตรัสอย่างนั้นก็จึงได้ออนวอนถามอยู่บ่อยๆพระเจ้าเปรติโกศล น, นี่ไม่สามารถที่จะบ่ายเบี่ยงได้ก็จึงได้ตรัสบอกความจรงิง เ <c oughs> <c oughs> มื่อตรัส บ, บอกความจริงไปแล้วกุมารลกาสปะทาลกพวนี้ก็จึงเกิดความสลดใจเกิดความสลดใจจึงขอพระบรมราชาอนุญาตออกบวชพระเจ้าพระเศษที่โกศลก็ทรงอนุญาตแล้วก็ได้พากุมารลกาสปะพุ่นเอเอานามานและกาสปะนี่แหละไปยังสำนักพระบรมศาสดา โดยที่ไปทูลว่าเด็กนี้มีศรัทธาอยากจะบวชองค์ทุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประทานการอุปสมบทให้เป็นสั ม, มเนธเพราะเหตุที่ว่าอายุยังไม่ครบยี่สิบปีขั้นเมื่อกุมารกขั้นเมื่อสัมเกุมารักสปะสั ม, มเนธผู้นีมมน้มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ตามพระวินัยนิยมแล้วก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อได้บวชแล้วก็ได้อุตสาห์เรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระบรมศาสดาเข้าไปสู่ป่าเพียงพยายามอยู่ก็ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษนะไม่ได้บรรลุคุณวิเศษก็จึงกลับมาใหม่กลับมา เ, เรียนเอาพระธรรมฐานจากองค์เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วิเศษขึ้นไปอีกแล้วก็ไปอยู่ที่อันทวันนะไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอันถวัน ครั้งนั้นสหายของท่านซึ่งเป็นภิกษุเคยบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกันในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุอนาคามีไปบังเกิดในพรมโลกชั้นสุทาวาตได้ลงมาหาท่านแล้วก็ได้ผูกปัญหาให้สิบห้าคอแล้วก็สั่งไว้ว่า คนอื่นนอกจากพระบรมศาสดาแล้วชื่อว่าสามารถจะแก้ปัญหานี้ไม่มีจะแก้ปัญหานี้ได้ไม่มีท่านนั้นจงไปสู่สนักพระบรมศาสดาแล้วก็ถูกถามปัญหาเคาะสิขาอนี้เถอะท่านกุมารกสปะเถระนั้นก็จึงได้เรียนเอาเนื้อความแห่งปัญหาเหล่านั้นจนจำได้แล้วก็เครอะห์แอนแล้วก็จน จำได้แล้วขึ้นใจแล้วก็จึงได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศัสดาครั้นได้ไปทูลถามถึงปัญหาพยากรณ์ทั้งสิบห้าข้อด้วยกันครั้นว่าได้ฟังองค์สุเดะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงแก้ปัญหาทั้งสิบห้าข้อได้แล้วในที่สุดแห่งการพยากรณ์นั่นเองก็ได้บรรลุ พระ อ, อรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งสี่ประการทั้งวิสัมพิธาทั้งสี่ประการอันนี้ก็เรียกเป็นประวัติของท่านซึ่งได้สำเร็จพระอรหัตเป็นพระหันนั้นพร้อมทั้งด้วยปฏิปิธรรมพิธาทั้งสี่นั้นก็เพราะการฟังปัญหาพยากรสิบห้าข้อแต่ปัญหาพยากรสิบห้าข้อนั้นในประวัตินี้ท ไม่ได้กล่าวไวโ้โดยพิสดานท่านกล่าวเท่เพียงว่าเป็นปัญหาสิบห้าข้อเท่านั้นปรากฏว่าท่านกุมารกัปสปะเถระผู้นี้เป็นผู้ที่มีความสามารถแสดงธรรมแก่บริษัททั้งสีได้อย่างวิจิตพิสดารคือมีข้ออุปมาอุปไมยพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย คือท่านอธิบายธรรมะแล้วยกข้ออุปมาอุใหมยพร้อมทั้งยกเหตุยกผลให้ผู้ฟังนั้นฟังได้เข้าใจง่า ย, ายเป็นผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีความฉลาดในอุบายแห่งการสั่งสอนบริษัทอาศัยคุณธรรมหรือว่าคุณสมบัติเช่นนี้เองท่านจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดา ว, ว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายในจิตตรกคถา ก็คือการแสดงเทศนาพระธรรมแสดงธรรมเทศนาได้อย่างวิจิตพิสดารได้อย่างวิจิตพิสดารมากเมื่อแสดงแล้วก็ปรากฏว่าผู้ฟังก็ฟังเข้าใจง่ายรู้ง่ายหลอบรู้ถึงแความเนื้อความของธรรมะทั้งหมดได้อย่างง่ายดายซึ่งอันนี้ก็นับว่า เป็นผู้ที่มีชาญฉลาดในการสั่งสอนองค์หนึ่งเมือนกันซึ่งไม่มีเดียวกันทุกองค์นะท่านพระกุมารกัศปะผุณีดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในประวัติของท่านพระอุบาลีก็คือเป็นลูกของพิสมณีและประวัติของท่านต่อไปนั้นปรากฏว่า พิสุณีผู้เป็นมารดาของท่านเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศล <c oughs> ได้นำเอาท่านไปเลี้ยงดูแล้วก็ปรากฏว่าพิสุณีลูกนั้นเป็นผู้ที่มีร้องไห้อยู่ตลอดมีความโศกเสียใจด้วยอะไรคิดถึงลูกตลอดอยู่ถึงสิบสองปี <c oughs> ไม่สามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเลยเพราะเหตุที่ว่าคิดถึงลูกชายที่ได้จากไปด้วยการที่ความรักของแม่หลังจากนั้นเมื่อท่านพระกุมารกรสปะเทระนี้ได้อุปสมบทในพุทธศาสนาแล้วจึงได้มาพบกับทิษุนีผู้เป็นมันดาเขาตนเอง พิสุนีผู้เป็นมารดานั้นพอได้พบลูกชายคือพระกุมารกระสปะนั้นก็โผลวิ่งเข้าไปเพื่อจะกอดด้วยความรักท่านพระกุมารกระสปะก็คิดดูว่าถ้าหากเราให้มารดาพิษุนีผู้เป็นมารดาของเรากอดตามความประสงค์แล้วและแสดงความรักแบบอ่ามารดาก็บุตรแข็ง มาพิษุนีผู้เป็นมันดาของเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมพิเศษได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้พูดวาจาที่ตัดความลักเสดังนั้นเมื่อพิษุนีผู้เป็นมัรดาโผล่เข้ามากอดท่านก็จึงได้กล่าวด้วยคำกระด้างว่ามัวมาทำอะไรอยู่หญิงแก่ยังมัวเศร้าโศกถึงลูกอยู่หรือป่านนี้ ไม่บำเพ็ญบวชมาแล้วไม่บำเพ็ญสมณธรรมอะไรเลือเหล่านี้เป็นต้นทิสุนีผู้เป็นมัรดาพอได้ฟังเช่นนั้นเองก็นึกขึ้นในใจว่าการที่เราร้องไห้มาตลอดสิบสองปีนี้การที่เราร้องไห้มาตลอดนี้ก็เพื่อเขาแต่บัดนี้ลูกของเรานั้น เป็นผู้ที่มีวาจาอยากกระด้างสิ้นเหลือเกินเมื่อ น, นึกอย่างนี้แล้วก็จึงได้ตัดความอะไรในความลักให้ฐานะที่เป็นลูกนั้นแล้วก็ตั้งนาจเจริญสมณธรรมไม่ชาจึงได้สาเร็จเป็นพระอรหัตผลเป็นพระรหันองค์หนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นประวัติของท่านพระกูมารกษัตริย์ผู้เป็นอ่า ผู้เป็นบุตรของอพินอาิสุณีลูกหนึ่งท่านพระกุมารกัศปะนั้นดำรงอายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การก้อนดักขันธปรินิพานประวัติของท่านก็จบเพียงโดยย่อยแค่นี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนและท่านนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร